พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองเมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าเมื่อหลงกายก็หลงทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่สอง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 ไม่กี่วันเ ร, เราลมึกเราจาไม่ลืมอยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าจาไม่ลืมคานี้นะ่ะไม่ใช่ว่าเราทำความชั่วช้าเสียหายในพระพุทธศาสนาหรือว่าทำให้ตัวเองมีความทุกข์กระตลลาบากอย่างสุดๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถึงจะทุกข์กระตำลำบากทางร่างกายก็จริงแต่ว่าทางจิตใจของเราเนี่ยปลอด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 เราไปขุดเสี่ยงหาที่อื่นอีกไปนูอ้อไม่รู้ที่ไหนขุดภูผาป่าไม้ไปเลยทั้งที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นบ่อเงินบ่อทองบ่อทองคำที่ท่านขุดแล้วได้ผลก็เราก็น่าจะขุดตามที่ท่านได้ผลมาแล้วเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาคนคว้า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 ที่มันเคยคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้มันอยู่กับพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลานั่งเวลาเดินขาขวาขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธมีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทท่านบอกว่าวันแรกที่วันตั้งสัจจะด้ว่าข้าพรเจ้าจะให้อยู่กับ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 ภาวนาเป็นยังไงอดนอนภาวนาเป็นยังไงเพราะนั้นเราต้องค้นคว้าต้องศึกษาต้องเรียนรู้เหมือนกับเราสะแสวงหาทรัพย์เราสาะแสวงหาทรัพย์อย่างนี้เป็นไงผลกำไรเป็นอย่างไรเราทำอย่างนี้ผลกำไรเป็นอย่างไรถ้าเราได้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 มันไม่เอามันเอามันไม่ลงจับมันไม่ได้จับมันไม่อยู่มันก็เหมือนจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะจะเราจะมาฉันก็ไม่ได้เพราะมันขาดชัดจจนอันนี้กันอันนี้เราก็ต้องปล่อยมันก่อนเราก็ต้องมาฉันก่อนแต่ในใจของหลาเอาเถอะข่าวนี้ข่าแพ้แต่ต่อไปค่าจะต้องดูมันอีกว่ามันจะมาเลี่ยมเลี่ยมไหนอีกนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาการปฏิบัต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 การกรองดูเรื่องต่างๆแต่ในหลักของพระุทธศาสนาท่านมองว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองในตัวของเราเรูปประธรรมรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายที่เรามองเห็นอวัยวะทุกส่วนทั้งภายนอกภายในอันนี้ว่ารูปประธรรมส่วนนามธรรมนั่นคือความนึกคิดคือใจ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 ใจของเราไม่คล้ายๆว่ามันคิดต่อสู้ไม่สบายใจนะให้ข้าวจะจัดการยังไงในเมื่อหูได้ยินเสียงเขาด่าเราเราไม่สบายใจขึ้นมา แ, แต่เขายกย่องสนัเสริญขึ้นมาเราก็มีความสุขขึ้นมาส่งขึ้นมาหาใจทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิน้นทั้งกายส่งเข้ามาหาใจสรุปแล้วก็คือใจเป็นเป็นผู้รับเรื่องต่าง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 เพียงแค่นี้ได้สักครั้งหนึ่งพวกเราก็จะจำไม่ลืมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าพวกเราได้ริมรถพระธรรมที่เราได้ประพุทธปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราจะยกมุนไหวกราบเคารพคารวะพระพุทธเจ้า